ให้ดูไงก็งันแต่พ อ, พ, อพิจารณาแล้วถ้ายกจมูกออกมาแล้วผมว่าไม่งามเลยือดูเหมือนงามจะเท้าจมูกออกทั้งหมดเลยแค่จุดเดียวจมูกออกแล้วจะงามแล้ยเห็นไหมสรุปแล้วก็คือว่ามันไม่งามทั้งหมดนั่แหละแต่ด้วยโทษของการที่เราไปเห็นใช่ไหมเราไม่ได้พิจารณาเราก็เลยไปว่าจุดใดเพราะมันรวมๆกันแล้วแยกไม่ออกแค่นิดเดียวแค่นั่นแหละความงามปรากฏทันทีเลย แต่ถ้ายกจมูกออกปุ๊บจบหรือเอาหูออกสักข้างไปามดเลยนะหรือเอาตาออกข้างเอาฟันออกเอาซี่หนึ่งตรงกลางด้วยนะอย่างเี้ยนะเี้ยเรียบร้อยเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ยังไงถึงบอกว่าพอมันปิดขึ้นมาแล้วมนุษย์ด้วยการที่ไปเห็นพอไปเห็นจมูกงามมันเหมือนกับที่ว่าพระธีรีท่านหนึ่งอะไปชมมัตตาท่านงาม ก็ชมพวกนางควักลูกกาให้เป็นพระอริยะเป็นพาาระอรหันด้วยเขาอ่อนตรงนั้นเลยซุดลงตรงนั้นเลยคือรักมากบอกว่าเธอก็บวชนตอนสาวเพิ่งน้าไปปริโภคก ร, รมดีกว่าชีวิตยมีความสุขอีกเยอะเกิดมาไม่เคยเห็นใครตางามเท่านี้เลยอย่าเงี่ยไป็ต้นนะเธอนั่งฟังพิจารณาสักทักงามจริงหรือว่านางคักให้ดูพวักแล้วก็ยื่นให้เลยอเอาไปศาสนามากใช่ไหมรักรักมากซุดตรงนั้นเลย นี่ไงนี่ไงพระอาหารหันดูท่านสอนดิหน้าขน ล, ลุกขนชันไหมล่ะนี่หรือคือความงามจริงๆของไม่งามก็ยังม า, าพูดกันอยู่ได้วงงาม น, งงนี่ท่านองกันถ้าพูดกันอก็ไม่งามก็ของมันไม่ดีจะไปดูงามดิ ก็เหมือนมียมท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะไปสอนเป็นข้าวเป็นนักเรียนแพทย์เลยเพราะเป็นคนชอบแต่งตัวกันอะไกันยามชื่นชมมากทีมานั่งฟังอภิปรายกันกระทาปากกันไปบ้างอะไรก็จ๋ามอกว่าไม่ยากหรอกมาเขเลยบอกว่าไม่ยากก็ให้ก้าวปากอ้าปากแล้วก็ให้พวกอีกคนมองเข้าไปในช่องปากใช่ไหมก็แช่นั้น แล้วเราก็จะเห็นความไม่งามในช่องปากเต็มไปหมดเต็มไปด้วยเชื้โอโรคเพราะเราคิดไม่ได้ใช่ไหมเอาถ้าเมื่อห้าสิบปีที่แล้วคิดได้อย่างนี้จะมีครอบครัวไหมจะมีไหมถ้าคิดได้อย่างนี้มันจะมีไหมคือถ้าคิดได้จริงๆแล้วเข้าใจจริงๆนะมันจะมีบางใช่ไห ม, ไหมก็มันคิดไม่ได้ถ้ามันคิดได้จริงๆเนี่ยกรณีอย่างนี้ไงคําว่าสติสังวรเนี่ยอินเดียสังวรเนี่ย ถ้ากิเลสเกิดในใจแล้วเนี่ยมันมองของไม่งามก็งามอันนี้มันเป็นเป็นเรืเ่องเป็นประโยชน์นะถ้าราคะเกิดขึ้นมามันก็งามถ้าโทสะเกิดขึ้นมาก็ไม่พอใจโมหะเกิดขึ้นมามันก็ปิดมันก็หลงใช่ไหมเหมือนการฟังพระธรรมเนี่ยถ้าไม่เห็นคุณของพระบรมศาสดร์ได้ชัดเนี่ยยากจะตั้งศรัทธาในการฟังพระธรรมอย่างไรบางคนก็อยากจะฟังนะอยากจะเข้าใจกันทั้งนั้นดีนั่งๆหน่อยใช่ไหม แต่บางคนปริมาณของการฟังมันไม่ถึงเนี่ยทํางใจบางทีก็อยากเที่ยวฟังแต่ราคาโทรศัโมหะเนี่ยมันไหลมาตลอดแล้วมันก็นั่นแหละกดคีอยู่นั่นแหละแล้วเราก็กลายเป็นผู้ยอมจำนวนดชสงสารวัตเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ต้องฝึกไหมชีวิตนะต้องฝึกจริงๆต้องฝึกตลอดลถ้าไมงั้นออกไม่ได้นี่ในกรณีอย่างนี้ถามว่า ที่ไปเห็นโดยความเป็นของงามเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็เพราะว่าเรานั้นไม่ได้พิจารณาฉะนั้นกาว่าไปยึดถือนิมิตและยึดถืออนุพยานชนะตัว น, นี้คือถ้ามีสติสังวรเนี่ยสตินั่นแหละจะไปทํากิจในการที่จะไม่หลงเนาะก็ไปพิจารณาเพราะสติเกิดเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปัญญาจะไปวิจัยได้ง่ายมากฉะนั้นเพราะสตินี่ก็เป็นสหมีปัญญาเป็นสหายได้ง่าย กรณีในรักษณะนี้ไม่ยึดถือซึ่งอนุพยานชนะไม่ยึดถือด้วยอาการต่างๆด้วยการด้วยมือเท้าการยิ้มการหัวเราะการพูดการเหลียวเป็นต้นบางคนเนี่ยบางทีนั่งอยู่เนี่ยไม่ไม่ค่อติดใจทอะไรนะพอมีการยืนการเดินการเยี่ยงกายขึ้นมาอองงาวขึ้นมาอะไรเงี้ยนะบางคนนี่เขาชอบได้ยังไงเนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนผมก็ไม่ชอบ พอเธอเดินแล้วผมชอบเลยก็ยงั้นเลยก็ไปเดินการยเยื้องกายเอาสิเนี่ยรักอย่างนี้เขาปิดติดนิมิตติดนิมิดของการเยื้องกายพระเจ้าถึงสอนใช่ไหมกรยินการพิจารณ า, าสุภาพนี่พิจารณาไว้หลากหลายว่าเอา้าถ้ากไปติดสีผิวพิจารณาอะไรถ้าไปติดติดสวนทรงมาพิจารณ า, าสุภาพประเภทไหนเห็นไ ห, นไหมบอกหมดแล้วถ้าไปติดเครื่องประดับเราพิจารณาอาสุภาพแบบไหนอย่างนี้นะ พระเจ้าบอกอรายละเอียดเป็นดเสร็จทั้งวัวอีทงวังอาจว่ากรรมฐานด้วยาเก้าบางว่าสิบ้างสิบเอ็ดบางอย่างเนี้ยเพราะอะไรเพราะอันหานี่วิจิตมันติดหลายอย่างใช่ไหมบาง ท, ทีไปติดอนุพยัญชนะหนิเยอะการยิ้มนี้นะการหัวลอกการเหลี้ยวการพูดการเยืงกายก็คิดดูอะบางคนต้องฝึกเดินเพื่อให้คนอื่นเกิดกิเลสเนี่ยเพื่อให้เขาตัดสินว่าเป็นผู้ชนะเป็นงามที่สุดในโลกเนี่ย บางคนเนี่ต้องฝึกมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเกิดกิลเลส ม, มากที่สุดให้คนเกิดตัณหามากที่สุดให้คนเกิดราคะมากที่สุดเมื่อเกิดราคะมากที่สุดได้คนคนเนี้เยเขาเรียกว่าชนะเลิศ <c oughs> ไม่ใช่ทำให้คนเกิดปัญญา ม, มากที่สุดนะทำให้เกิดราคะที่วิจิตมากที่สุดนะเนี่ยลักษณะนี้ก็คือพยายามฝึกนิมิต เพื่อให้คนนะนะั้นน่ะมีปัญหายินดีเพื่อเปื่นมากที่สุดใช่ไหมดูตัณหาดิมันบวกกับกรรมนี่แล้วมันทําให้มนุษย์เนี่ยทํากรรมที่วิจิตรมากยอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมที่จะเรียนเป็นหลักสูตรเป็นปีๆเป็นสิบๆปีก็เรียนใช่ไหมแล้วคนบางคนเนี่ยความที่อยากจะปนเปื้อกิเลสกรรมหรือคิอตัณหานี่นะลงทุนลงรอนเลยบางคนเนี่ยเสี่ยงชีวิตเสี่ยงภัยเลยนะในการที่จะประกอบอาชีพรักษณงใน เนี่ยมีเพิ่งบอกว่ายุคที่ตั้หาเฟื่องฟูค่อนข้างมากใช่ไหมก็ต้องบอกว่าในยุคคนไทยในยุคนี้ก็ติดกันมากที่สุดก็คือวัฒนธรรมการบันเทิงติดมากาคือคืออย่างนี้ในคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยท่านสอนความจริงแต่ถ้าหากว่าในคําสอนของทางโลกทั้งหลายเนี่ยก็สอนในเรื่องของมายาคือของไม่จร การให้คนอยู่ในของไม่จริงเนี่ยไปสอนกันมาจนกลายเป็นของจริงอันนี้ก็มันก็เลยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่ากิเลสทั้งหลายทั้งบอกเพราะอันไม่ยึดถือนิมิตแล้วก็ไม่ยึดถืออนุพยัญชนะเนาะอนุพยันชนะก็รู้นิมิตก็รู้นะนิมิตของความเป็นหญิงนิมิตของความเป็นชายนิมิตที่จะเป็นปัจจัยเกิดกิเลสเพื่อจะทําให้ความมีความรู้สึกว่า ง, งามบ้างว่าเที่ยงบ้างเช่น เราบอกว่าเราจะต้องอยู่นานๆเราเอาอยู่โรคนี้เราเอาอยู่เนี่ยเราแก้ไขได้บางทีอย่างเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้ติดทีมิดแก้จริงแก้ไขไม่ได้เพราะเหมือนบอกว่าให้เลือกข้าพเจ้าเถอะข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาท่านได้นี่ก็ นี่ก็ไม่แก้ไม่ได้หรอกเพราะปัญหาตัวเองแก้ไม่ได้เลยใช่ก็คนทำกิจของตนเองไม่เสร็จแล้วจะไปทำกิจคนอื่นให้เสร็จได้อย่างไรแต่ถ้าพ่อหลงในศาสดาเนี่ยตอนที่สันติมหามาตย์หรือใครเนี่ยนางปตจราเป็นต้นเนี่ยมีปัญหามากเขาไปพบพระเจ้าพระเจ้าที่บอกว่าสถาคตมหาบรมีมาสามสิบทัศ ใช่ไนมบางมีสามสิบท่านมายี่สิบสมขายยี่สบแสมาเนี่ยก็เพื่อจะแ ก, แก้ปัญหาอย่างเช่นเธอเช น, นั้นเธอมาหาคนมาหาถูกแล้วเนี่ยลองดูเที่อ่ะคนที่จะมาเป็นผู้นําเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะทุกระดับเนี่ยบางทีบางทีเขาเขาปลูกซ้มอมมากี่ทีก็ไม่เคยคิดแก้ปัญหามาเลยในสังสารวัตเนี่ยพราก็ทําเป็นตัวก่อปัญหามาในสังสารวัตรอีกยาวนานเยอะไปเยอะ ใช่ไม่ใช่ฉะนั้นเราก็เลือกคนสิแต่ถ้าเราเลือกพระเจ้าสิแต่กติกาสังคมเราก็ว่าไปเนี่ยจะมีเราไปขวางก็จะพูดพูดให้ฟังว่าเขาที่เขาทําได้น่ะบางอย่างเล็กน้อยมากไม่ใช่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างอย่างราคาพูดเ <c oughs> ป็นไปไม่ได้ตรงนี้ก็คือว่าจริงจริงมันต้องเปิดม่านตาไหมการศึกษากันะ ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้านจริงไม่โยนสมัยพระองค์ก็เปิดออกมาเลยที่มุมวัวทั้งหลายพระองค์ก็เปิดด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็นั่นแหละไม่ถือนิมิตและนุตไปยัญชนะในเรื่องนี้ท่านก็เลยยกปรติสาเถระพระติสาเถระที่จเจติยาบรรพน์เนี่ยเมืองนุราบุรีเที่ยวไปบินทบาทแล้วก็มีหญิงสะพยแห่งตระกูลหนึ่งเป็นต้นเกิดสะลาะกับสามีแล้วก็แต่งศรีร่างงดงาม เหมือนานางเทพกัญญาแล้วก็หลี่ต่อกจาเมืองอนุราชบุรีแล้วก็ไปช้ามืดเมื่อเดินไปเรือนญาติ ก, ก็พบพระเระในระหว่างทางเกิดจิตปิปา ร, ราเห็นพระเทเรเดินจงกรมอยู่นางก็หัวร้องอย่างเสียงดังเลยในชะ่ไหมพระเถระก็มองดูก็คิดว่านี่อะไรแล้วก็เกิดอสุภาสัญญากรมาถานก็หมายความว่ากําหนดกระดูกฟันของนางนั่นแหละก็เห็นความไม่งามทั้งในสรีระ ก็แปลว่าได้เลยได้อสุภกรรมฐ า, านพระเถระก็ต่อจากการเอาชาั้นเนี่ยแต่ว่าหลักการเจริญจริงๆนะถ้าพูดรายละเอียดตรงนี้ก็คือไล่ไปตามลําดับตามลําดับคือเป็นไปในลักษณะนี้ตัวกุศล ส, สีนตัวเจตนาสีนเจสิศสีลสังวงศีนวิติกรามศีนที่เกิดขึ้นที่พระเถระกําลังประชุมเป็นไปอยู่ในกระแสฐานของพระเถระนเนี่ยนะ ตัวเจตนาศีลเจศิกศีเป็นต้นที่เป็นกลุ่มสังวรศีลหรืออวีติกรรมะคือการไม่ก้าวล่วงที่เรากําลังเนี่ยเกิดขึ้นกับพระเราอย่างยาวนานใช่ไหมคือพระเถเรานั้นออกจากปานาติบาได้ด้วยออกจากอธินนาทานการเมสุมิชฌาณมุสาวาตปิสุนาวาจาพุรุสวาจาสัมผับปรา ป, ปะอภิชาพยาบาทแล้วก็ออกจากมิชฌาทิฏฐิได้ด้วยกรณีที่ออกจากอาสุสนกรรมบทชสิบแล้วก็น้องก็สู่กุศลกรรมบวชสิบตลอด ก็แปลว่าพราะเร้านที่เดินกุศลศีลได้คล่องแคล่วไหมคล่องแคล่ว ม, มากแล้วเดินได้ค่อนข้างยาวปัญหาของพวกเรานี่อยมามาดูเกียรติดูเราเดินกุศลศีลไม่ออ ก, เ ด, ออกเดินติดขัดติดขัดได้ไม่ยาวไกลเลยอ่ะเอามีใครเดินกุศลศีลติดต่อกันได้ถึงสิบนาทีไหมบางคนได้บางคนได้เป็นชั่วโมงบางคนได้ตลอดวันนี่นะ แต่บางคนเนี่แค่สัสิบนาทีเนี่ยเดินไม่ได้อ้าวเคยสังเกตตัวเองไหมเดินแค่กุศลศีนี่นะให้เกิดจริงๆนะคือมีการสังวรระวังจริงๆและเป็นกุศลจริงๆเนี่ยออกจากอกุศลกรรมเวทศิลแล้วก็อยู่กับกุศลกรรมเวทศิลป์กายก็สุจริตวจีก็สุจริตมโนก็สุดจริตอ่ะทายากไหมสุดจริตสามเดินตลอดทีพอสุดจริตสามท่านเดินอยู่ตลอดเป็นอัตยาสัย แล้วท่านก็ฝึกอสุภัสัญญาอยู่ทีนี้การฝึกอสุภัสสัญญาของท่านเนี่ยแปลว่าอะไรท่านทําศรัทธาวิญยาสติสมาธิหรือทำตัวกุศลศีลของท่านนี่แหละตัวกุศลศีลคือการไม่ก้าวล่วงของท่านนี่แหละอกุศลศีลคือการไม่ก้าวล่วงท่านท่านออกจากอะไรต่อมาท่านออกจากมิวอร์ลเข้าใจใช่ไหมท่านออกจากปณติบาภออกจากการมฉันทะ เนขมั่เกิดในใจยังไหมน้องก็เนคขมั่ออกจากพยาบาทน้องก็เมตตาออกจากาถีนมิทัศด้วยการที่ท่านกําหนดแสงสว่างเวลาเกิดถีนมิทัศปุ๊บเนี่ยวิธีแก้ทํำยังไงเอาทํำยังไงจริงๆเลยในชีวิตจริงๆเนี่ยกำหนดกันยังไงเวลามันเกิดถีนามิทัศอยู่เรื่อยๆเนี่ยเปลี่ยนยังไหมแล้วเวลาเกิดจริงๆแล้วเปลี่ยนไหม อันนี้พราพ่อคายความเพียรคายความเพียไในอย่างนี้เลยนั่งอยู่เฉยๆลองฝึกแบบไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนรยาบทแล้วฝึกออกจากถินนมิตะได้ที่จริงตรงเนี้ยถ้าลองกําหนดให้แสงสว่างเกิดภายในใจดีใช่ไหมเพาน้องก็าหาแสงสว่างสําคัญหมายถ้าอยู่มืดๆคนเดียวเนี่ยสําคัญหมายว่าเป็นกลางวันบ้างสําคัญหมายเหมือนแสงสว่างเกิดในใจบ้าง เห็นดวงอาทิตย์ในใจเห็นดวงจันทร์ในใจยังได้เลยใช่ไหมความสว่างตรงนี้มันออกได้จริงๆนี่ลองลองฝึก ด, ดูเองมันก็ได้ไอกําหนดต้อหาความสว่างภายในก็ได้ก็ออกได้แล้วทีนะพิทาถ้าศรัทธ า, าวิริยสติสมาธิปัญญาแข็งแรงไอนจริงๆเราไม่เคยฝึกกันนั่นเองแล้วฝึกเนี่ยไอามาเจอพระหลายองค์แล้วนี่เนี่ยคุณนั่งเสียสูญคุณฝึกซิท่านบอกฝึกยังไงไอามาก็ไล่ทีนะพิทา แต่ฮัลลาดูนะนี่นะมิจ้าทำตั้งแต่หลายหลายอย่างใช่ไหมก็ฝึกแล้วออกได้ต่อไปก็เริ่มฝึกคือกรณีอย่างเงี้ยที่อย่างพระเทล้านี่นะจริงๆตัวกุศลศีนะอวิติกามะทังเกิดเป็นต้นด้อย่างกรณีอย่างเงี้ยท่านน้อมออกจากกาเมฉันะด้วยเนคขมะออกจากพยาบาทด้วยเมตตานะออกจากทีนะมิท้าก็คือกําหนดแสงสว่าง ออกจากอุทธจารกุจาด้วยความตั้งมั่นด้วยด้วยเอาชีปั่ใช่ไหมแล้วก็ออกจากวิจิตริฉาด้วยการกําหนดธรรมกาหนดเคื่อวิจิตริชาลังเลใช่ไหมก็กําหนดธรรมได้ถูกต้องเมื่อกำหนดคําสอนได้ถูกต้องไปเสร็จก็ออกจากความรังเลสงสัยได้ออกจากความไม่ยินดีการจิตด้วยความยินดีรละบันเทิงในธรรมออกจากอวิชชาได้จังิงใช่ไหมเพรา ะ, ะนั้นออกได้รักหน่อยนี้เขาบอกเป็นอวิชเดีอร์มา คือโดยจริงๆวิธีการละถีนะน่น้ำมิทะเช่นกันในธรรมานุกัมมันย์เช่นกันเช่นเหตุโทษ ด, ด้วยตั้งโยนิสมนสิการเป็นต้นด้วยอันนั้นก็คือกําหนดนิมิตแห่งความสว่างภายในและภายนอกเป็นต้นด้วยแล้วก็กรณีที่ว่าวีการเปลี่ยนียาบทด้วยเก่าวคาถาคําพูดที่ไม่เป็นปัจจัยแก่อยู่ในบรรยากาศที่ไม่เป็นปัจจัยแก่การแก้สีนะ้ำมิทะเป็นต้น ฉะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยท่านก็น้อมออกในรักในแล้วในสุดจริงๆท่านจะทําฌานในจิตที่เกิดขึ้นแล้วต่อมานั่นแหละท่านก็เข้าในการนี้เจริญอนิจจานุปัสสนาลุกานุปัสสนาไปต้นในสุดจริงท่านก็บรรลุเห็นไหมอันนี้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยเนี่ยอันนี้ท่านเคยเล่าเป็นตัวอย่างว่าผลจากการที่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยบรรลุได้สติสังวรนี่นะเป็นปัจจัยการบรรลุได้แต่ว่าท่านปิดบาป เอาคุณธรรมมันลามกไม่เกิดขึ้นพร้อมท้ากระแสใจฉะนั้นสังวรประเด็นก็คือว่าตรงนี้ในรายละเอียดจะมาจะไม่ตามลงไปนะที่ว่าพูดถึงในเรื่องของขณะสังวรจริงๆมันเกิดที่ชฉนนะนะไม่ได้ไปเกิดที่ขณะอื่นอยู่นะแล้วสังวรที่เกิดในโวนะนั้นก็เป็นสังวรที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นไปทางมโนทวารยังไงเป็นต้นเหล่านี้ยในรายละเอียดก็คือว่า ท่านถึงเปรียบบอกว่าเมื่อบุคคลทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วที่ชาวนะแม้ตะวรชื่อว่ารักษาแล้วแม้ผวังแล้ววิถีจิตทั้งหลายมีอวัชนะเป็นต้นก็ชื่อว่ารักษาแล้วเป็นต้นเพราะตัวทุศีลหรือไม่ทุศีลเนี่ยเขาไปเกิดตรงไหนก็ตรงที่ชาวนะถ้าอากุศลชาวนะเกิดขึ้นตอนนั้นก็เรียกว่าทุศีลถ้ากุศลชาวนะเกิดขึ้นน่ะถึงจะเรียกว่ามีศีล ทำวมาทูดในที่นั้นแปลว่าไม่ดีไม่ดีก็คือมีศีลที่ไม่ดีอกุโสลศีลนั่นเองก็คือศีลที่ไม่ดีคือกุโสลศีลไม่เกิดขึ้นท่านเลยเปรียบเสมือนเลยตอนนี้ว่าสังวรนะสังวรนี่เกิดขึ้นอย่างไรความทุศีลความเผือสติความไม่รู้ความไม่อดทนความเกลียดค้านเกิดขึ้นในขณะเห่นชาวนะอสังวรก็ยอ่อมีและอสังวรเมื่อมีอยู่โดยทำนองอย่างนี้ก็เรียกว่าความไม่สังวรในจกักขุนศีลใช่ไหม ตรงนี้ท่านก็มาขยายในรายละเอียดที่จริงตรงนี้ถ้าขยายในรายละเอียดเพราะพูดตรงนี้มต้องพูดไล่ไปตามลําดับที่บอกว่าย่อมปฏิบัติเพื่อสังวรในจักขุนศีท่านสังวรอย่างไรย่อมปฏิบัติเพื่อปิดซึ่งจักขุจักขุนศีด้วยบานประตูคือสติเมื่อภิกษุปฏิบัติอยู่ด้วยการอย่างเนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ารักษาจักขุนศีบ้างถึงซึ่งความสังวรในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นต้นบ้าง ทีนี้ย่อมถึงความสังวรในจักขุณสีนั้นอันที่จริงความสังวรหรือไม่สังวรเนี่ยย่อมไม่มีที่จักขู่นะสังวรหรือไม่สังวรเนี่ยไม่ได้เกิดที่ตาใช่ไหมอาโยมบางคนเข้าใจคํานี้ไหมไม่ได้เกิดที่ตาความมีสติความเผือสติไม่ได้เกิดขึ้นโดยอาศัยจกักรคุปส า, าก็แต่ว่าการใดอารมณ์คือรูปอารมณ์นะเช่น ยมมงคลมองดอกไม้รูปารมณ์คือสีของดอกไม้กระทบกัจจคุปาสร萨ของยมมงคลอย่้ทีนี้ในขณะที่ไปกระทบเบ็ดเสร็จนี่ผวังกจิตกระดับไปจิตของยมมงคลอะผวังกจิตกระดับไปสองขณะเลยก็ว่าไปเถอเป็นนาตีแต่ผวังเป็นผวางกัจรณะผวังผู้ปัิเยท่าเนี่ยว่าไปตามลำดับต่อมาปัญจทวารวชนะก็ ใช่ไหมก็อวชนาอ่ะอวชนะสีหรือวันณะของดอกไม้เนี่ยนะเพราะอาวชนะสีเป็นต้นเหล่านั้นพอปัญจทวารอวัชนะจิตเกิดขึ้นนี่ยทําอวชนะจิตคือการนึกการหน่วงถึงสีถึงวันณะรูปนี้แหละของสีนี่แหละให้สําเร็จแล้วก็ดับไปต่อมาจักขุ ญ, ญานทิจก็เกิดขึ้นทิจจักขุ ญ, ญานเกิดขึ้นทําลายทําทัศนคติจิตในการเห็นเห็นอะไรเห็นสีของดอกไม้ ให้สําเร็จแล้วก็ดับไปไหยก็ดับไปอีกดับไปเบสเสร็จต่อมาสัมปชชนะเรียกว่าวิบากมโนทาตเนี่ยก็ทํากิดใช่ไหมทำสัมปชนาคิจคือการรับรูปารมณ์ ร, รับสีเนี้ยให้สําเร็จเบเสร็จแล้วก็ดับไปต่อมาก็วิบากอีกแล้วเป็นเกีย่ยนเรื่องของสันติรณะใช่ไหมก็เป็นสันติรณกิจเกิดขึ้นทำสันติรณกิจกิจ ค, คือการพิจารณาเนี่ย ตัวรูปารมีเนี่สียงดอกไม้เนี่ยให้สําเร็จแล้วก็ดับไปต่อมาแล้วอีกวอดทะพนาวธดระพนาเนี่ยถ้าพูดตามศัก์เขาก็เรียกว่ากิริยายะตุการมโนยานาธานนเนี่ยเป็นมโนตวัราชนะจิตนั่นเองเดี๋วรรมวมาทำจิตทางปัญจทวันเรียกว่าวอธระพนะแต่ยวอดทะพนาทำจิตในการตัดสินดูปา ร, รมีไม่สาเร็จแล้วก็ดับไปต่อจากนั้นน่ยนะหลังจากวธดระพนะดับไปแล้วชาวนะเจตทน โฉนนเกิดขึ้นหนึ่งสองสามเดียหกเจ็ดก็เป็นไปวิธีจิตเป็นไปลักษณะแบบนี้ยใช่ไหมอันนี้ก็โอโ้นี่ว่าไปอย่างนี้เดี๋ยวก็จะไม่เข้าใจเลยเนื้อกระแสของนามธรรมา ท, ทั้งหลายก็เป็นไปอย่างเนี้ยโฉวนะที่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่แหละเมื่อสังวรอสังวรย่อมไม่มีในภวังเช่นตอนเขาภวังเป็นไปอะตอนนั้นไม่ได้มีสังวรหรือไม่สังวรนะ หรือปัญจทวารเลชนะเกิดขึ้นก็ไม่เรียกว่าสังวรหรือไม่สังวรใช่ไหมหรือจักรุญยาณเกิดขึ้นตอนนั้นก็ไม่มีสังวรหรือไม่สังวรจะว่าสมรวมหรือไม่สมรวมนี่ไม่เรียกแล้วสัมปติชนะสัมติลณะแม้วดธรรมะก็ไม่เรียกว่ามีสังวรหรือไม่สังวรไม่เรียกทีนี้ประเด็นอย่างนี้ก็คือว่าความไม่สังวรนี่นะเขาต้องบอกว่า ในสมัยนั้นน่ะถ้ามาพิจารณาในรัก่างแม้ในสมัยเหล่านั้นสังวรก็ดีอะสังวรก็ดีไม่มีในประวันสมัยนั้นแล้วก็ไม่มีในอวัชนะเป็นต้นแต่ถ้าว่าความทุศีนและความเผอสตินี่นะความทุศีนความถ้าความทุศีนกันได้ก็ไม่มีปฏิโมกสังวรอยู่ไความเผอสติก็คือไม่มีอินทรีย์สังวรความไม่รู้ไม่มียา น, นะสังวรความไม่อดทนไม่มีขันติสังวร ความเกลียดค้านก็ไม่มีวิริยะสังวรเนี่ยเกิดขึ้นในขณะหิงชาวนาะนะถ้าสมมติว่าความทุศีลความเผลอสติความไม่รู้ความไม่อดทนความเกลียดค้านเกิดขึ้นในขณะเหินชาวนาะถ้าเกิดขึ้นนะเช่นในขณะชาวนาตอนนั้นนะทุศีลไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีสติแล้วก็ ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีความอดทนแล้วความเจียดค้านก็เกิดมันไปนเกิดตรงไหนเกิดที่ชวนะถ้าเกิดที่ชวนะเบ็เส็จนั้นเขาเรียกว่าอาสังวรใช่ไหมตรงนั้นเน่ยเขาเรียกว่าอสังวรเกิดอสังวรแปลว่าไม่มีสังวรตรงนั้นเขาเรียกว่าทูศียตรงนั้นเขาเรีย ก, ยกไม่มีความรู้ตรงนั้นเน่ยเขาเรียกว่าไม่มีความวอดทน แ็เลตอนนั้นมีความเกียดค้านทนายชาวนาะ mm. เขาเรียกอสังวรและอสังวรถ้ามีอยู่ในทํานองนี้บ่อยๆเรื่อยๆนะ mm. เขาเรียกว่าความไม่สังวรในจกักขุนศรีขยายย่างเนี่ยความไม่สังวรในจกักขุนศรียังเป็นอย่างเนี้ยมันไปเกิดตรงชาวนะที่ก็หมุนไปดีหมุนลงสู่ทางมโนทวารก็เป็นบาปสืบต่อกันอยู่อย่างเนี้ยแม้ในมโนทวารก็เป็นปลรักอย่างนี้ยเข้าใจไหมประเด็นแบบเนี้ยอ๋อ ก็ อ, อย่างนี้มันแล้วแต่ว่าเป็นมหาขุสลยาณสัมปยุอหรือวิปะยุธแล้วมันอยู่ตรงที่ว่าอะไรมาเป็นประธานนะยกตัวอย่างเช่นถ้าสติเป็นประธานฐานะเป็นอินทรังวรตัวปฏิโมกสังวรศีลยาณสังวรวิทยาสังวรขันติสังวรก็อยู่ในฐานะที่เกิดร่วมใช่ม แต่ต้องเป็นมหมากุนศรยาณนสมมีหรื อ, อยังไงพี่ตแต่ถ้าเป็นมหมากุนศรยาณนวิประยุทธ์ถ้าเป็นมหมาขุนศรยาณนวิประยุทธ์ก็ต้องไปอีกมุมหนึ่งแต่สรุปก็กคือว่าตัวสังวรทั้งหลายเกิดที่ชอนนะแต่ถ้าชัดที่สุดคือทางมโนทวารวิถีไม่ใช่ทางปัญจาเนี่ยนะแต่ทางปัญจานั้นเกื้อกูลตามอะไรเกื้อกูลตามมโนทวาร เข า, ามมโนทวารเนี่ยเขาทําจิตในการที่จะแข็งแรงมากกว่าใช่ไหมอันนี้เป็นต้นอันนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจ น, นี้นี่ฉันก็จะยกตัวอย่างเพราะเหตุไรเพราะว่าอาสังวรงแม้ทวารก็ชื่อว่าสมว่าตอนนั้นนะนะถ้าชาวนานี่นะถ้าชาวนะตอนนั้นทุศีชาวนะตรง น, นั้นไม่มีสติชาวนะตรง น, นั้นไม่มีความอดทนชาวนะตรง น, นั้นเกจียธาชาวนะตรง น, นั้นไม่มีความรู้เกิดในชาวนะนั้นใช่ไหม อั น, นั้นชื่อว่าอะไรอสังวรเมธาวานในชื่อว่าเป็นอันไม่รักษาคือไม่ได้สาพวังด้วยไม่ได้รักษามโนทวาเราชนะด้วยไม่ได้รักษาจักขูวิญญาณด้วยไม่ได้รักษาสัมปติชนะด้วยไม่ได้รักษาสันติระนะด้วยเขาเรียกว่าทั้งทวารเนนะีในจักขุทาวารทั้งหลายชื่อไม่รักษาทั้งทั้งที่ชาวนาเกิดหลัง ท่านก็เลยกตัวอย่างเลยเนี่ยท่านเปรียบเทียบเลยเหมือนประตูสี่ประตูนเนี่ยนะบอกว่าเหมือนกับประตูเมืองสี่ประตู